เพื่อนเราก็เหลือเยอะนะศึกไปก็เยอะออกไปน้นไปนี่บ้างยังเหลือเยอะอยู่ดูหน้าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเบิงไนดะ้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องดูนะอยู่วันคืนล่วงไปเสียเวลาไปกับอะไรไม่รู้วันคืนสรุป มาแล้วไม่ได้อะไรเลยเนะ่ยาให้เป็นเด็ดขาดอย่าให้มีเด็ดขาดไม่ได้ประโยชน์ตนให้ไม่ได้ประโยชน์ท่านไม่ตั้งใจทำประโยชน์ท่านขอให้ตั้งใจทำประโยชน์ตนยาอยู่เสียเวลาเวลาไปวันคืนล่วงไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีคุณค่า อย่ามองโลกหยุดแบบจืดจืดชืดชืกล่อยกร่อยดูแล้วไม่มีสีสันไม่มีชีวิตชีวาอะไรเดินเหมือนกับคนไม่มีกรจิกกระเจายอะไรเหมือนกับคนไม่มีชีวิตเนี่ยอย่าให้เห็นไม่อยากเห็นดอกถ้าเป็นนักตั้งใจจะปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเนี่ย มันอยู่ในท่าทีที่สำรวมและมันระวังตลอดทั้งการพูดการคุยทั้งสำรวมเวลาด้วยนะไม่อยากให้เวลาเสียไปเปล่าประโยชน์ขยันเข้าไว้ขยันให้มันขาหักแข้งหักไปเลยทำโน้นทำนี้ทำอะไรตัว อ, อะไรเนี่ยไม่มีสุระประปังอะไรอย่างอื่นก็ประโยชน์ตนเอาให้หนัก เห็นทุปะปังเห็นประโยชน์ท่านพอจะเป็นประโยชน์ช่วยแบ่งเบาภาร ะ, ะอะไรกันได้แบ่งเบาจากประโยชน์ตนมาประโยชน์ท่านถ้าหากเห็นว่าไม่คุ้มค่าจริงๆกัเอาประโยชน์ตนให้เอาให้มันชัดเข้าไปเลยเราเปิดโอกาสให้เต็มที่อย่าไปรี ร, รีรอรออ น, นุนก็จืดจืดชืด ๆอันนี้ก็จืดๆชืดๆไกลๆอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนอบรมสติของตนฝึกสติของตนอบรมสติของตนให้มันดีมันไม่มีวิธีการใดที่จะดีเท่ากับการเอาข้อวัดมาฝึกให้เป็นเครื่องฝึกปรือเพิ่มพูนสติ ปัญญาให้กับตัวเองการตั้งใจฝึกเอาข้อวัดเป็นเครื่องฝึกเป็นเป็นของที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านส่งเสริมมาทุกยุคทุกสมัยไม่ไว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดครูบาอาจารย์สายปา่าเราเนี่ยท่านเอาข้อวัดเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องฝึกสติเอาข้อวัดเป็นเครื่องฝึกสติของลูกศิษย์ นอกจากข้อวัดเป็นเครื่องฝึกสติแล้วสิ่งที่ควรจะติดเนื้อติดตัวติดแนบอยู่ตลอดก็คือพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ละครั้งน่ะคือการคือการปลุกสติคือการปลุกจิตเนี่ยเอาตัวสติตัวสัมผััญญานะเป็นเครื่องปลุกจิตให้จิตมันตื่น ให้จิตมันตื่นตื่นอยู่กับปัจจุบันพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยจิตให้มันตกค้าง ก, ากับอารมณ์นู้นกับอารมณ์นี้กับอารมณ์เน่ากับอารมณ์บูดกับอารมณ์เหลืงกับอารมณ์เพลินโดยไม่มีเหตุผลเป็นของตัวเองเป็นเหตุผลของกิเลสทั้งหมดถ้าหากเราไม่พยายามพยุงเราไม่พยายามปลุก เราไม่พยายามประคับประคองจิตของตัวเองปลุกคำว่าปลุกคำว่าป ร, ประคับประคองเอาอะไรปลุกเอาอะไรประคับประคองก็เอาสตินั่นแหละเอาสติเอาสัมผัชันญะเป็นเครื่องปลุกเป็นเครื่องประคับประคองจิตของตัวเองจิตที่มืดมืดทึบทึชืดชืดเฉยชา ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรในชีวิตชีวานในหัวใจของตัวเองก็เพราะปล่อยจิตให้ลองลอยไปเม่อลอยไประวังอย่าให้เป็นอย่าให้เป็นขาดทุนศูนย์ดอกขาดทุนศูนย์กําไรการตั้งใจระมัดระวังรักษาเงินรักษาตัวพยายามประครับประคองเอาสติเอาสัมผัจัญญะามาประครับประคองจิตของตัวเองที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าตรง ตรงเป้งเลยๆหลงตาธรรมะตรงเป้งเลยเลยลนะี่ยไม่ให้ทิ้งคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธดำริแต่ละครั้งนั่นน่ะมันเป็นการปลุกจิตของตัวเองแล้วก็รู้ตัวทุกขณะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะปัจจุบันนั่นน่ะนี่คือนี่คือสร้างเนื้อสร้างตัวประคับประคองจิตของตัวเองอให้มีสติ กล้าให้มีปัญญาแข็งให้มีให้มีสัมปชัญญะแข็งกล้าให้มีให้เพิ่มพูนสติให้เพิ่มพูนสัมปชัญญะให้กับตัวเองทำอย่างนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำแต่ละครั้งทุกขณะยับยับยับยับยับยับขึ้นมาทำให้มากเจริญให้มากครูบาอาจารย์ท่านใช้คำว่าทำให้มากเจริญให้มาก ยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ทำข้อวัดปัดกวาดเช็ดถูอะไรต่ออะไรในขณะเดียวกันบริกรรมไปในขณะเดียวกันก็ยังได้ถ้าหากไม่บริกรรมไปในขณะเดียวกันก็อย่าทิ้งสติอยู่กับอิริยาบถ ท, ที่เราทำอยูนปัดใบไม้ล้างห้องน้ำนะ ปัดใบไม้ล้างห้องน้ำจัดความสะอาดเก็บใบไม้ล้างโจกล้างแก้วปูที่นั่งฉันปานงปานะอะไรสรพัดที่เราจะพึงมีเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยจิตไม่ทิ้งสติไม่ทิ้งสัมผััญญาทำความรู้ตัวตลอดทำความรู้ตัวพร้อมทุกขณะในปัจจุบัน นี่เราอยู่ได้แบบนี้ถือว่าเราอยู่อย่างฝึกฝนอบรมตนบุญเกิดขึ้นทุกขณะของจิตย่าปล่อยชีวิตให้จิตใจล่องลอยเรื่อยเปื่อยขาดศีลขาดธรรมหากเราอยู่อย่างนี้แล้วความรู้ตัวความตื่นเนื้อตื่นตัวความสำนึกตัวเนี่ยมั น, ม, นมันจะมันจะมีมันจะมีพลังมากขึ้นมันจะมีกำลังมากขึ้นทําให้เราเป็นคน เห็นคุณค่าของของเว ล, เวลาเห็นคุณค่าของประโยชน์เห็นคุณค่าของประโยชน์ตนเห็นคุณค่าของประโยชน์ท่านไม่ปล่อยชีวิตจิตใจให้ร่องรอยเสียหายไปอย่างอื่นมันมันไม่มีอะไรเกินคุณงามความดีที่เราพยายามสร้างทำให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในหัวใจของเราุรปแล้ ว, วคืออยากได้บุญ ความดีก็คือบุญบุญก็คือความดีอ่ะแหละความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดีด้วยกายก็ดูกิริยากายสำรวมระมัดระวังดีด้วยวิจารกิริวาจาสํารวมระมัดระวังดีด้วยใจก็คือสํารวมใจนี่แหละเอาอะไรมาสํารวมกายวิยจาใจเอาสติเอาสัมปชัญญะนี่แหละมาเป็นเครื่องสังวรมาเป็นเครื่องสํารวมมาเป็นเครื่องกํากับนัมริยับ พุทโธพุทโธพุทโธมันตื่นไหมมันปลุกไหมมันปลุกนะปลุกให้เราตื่นอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธทําต่อเนื่องไปมันก็เป็นการเพิ่มพลังหนึ่งหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสีพุทโธต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็อัดก็ไปอัดก็ไปอพลังของจิต พลังของความสงบก็อัดแน่นเข้าไปสู่หัวใจของเราอัดแน่นเข้าไปอัดแน่นเข้าไปนี่คือวิธีการสร้างคุณภาพให้กับจิตของตัวเองอย่าไปเสาะแสวงหายอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรูปเอ่ยเป็นเสียงเอ่ยเป็นหนังสือหนังหาเรื่องราวอะไรที่จะเป็นเหตุทำลายจิตใจของเราอย่าไปสนใจถ้าเราสนใจเราหลวมตัวให้กับกิเลสมันดึงจิตเราไปใช้ มันอยู่ว่าเอออันนั้นดีนะเอออันนี้ดีนะเอออันนี้น่าสนอันนั้นน่าสนอันนั้นน่าสนอันนี้น่าสนระวังให้ดีดูให้ดีนะไม่ทันมันบางทีรู้ทันมันอยู่แต่อยากจะหรวมตัวให้กับมันไม่ได้มาจอมาที่จิตของตัวเองถ้ารู้ตัวแล้วก็จอมาที่จิตของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็ตกไปสิ่งเหล่านั้นก็ตกไปถึงยังอยากสนใจอยากดูอยู่แต่ความตื่นตัวมันมี เพราะมันตื่นตัวมันไม่หลงมันไม่หลับไหลไปไปกับกิเลสที่มันพาเราหลงมันมันก็ยังมีเป็นเป็นข้อต่อสู้กันในอุบัยของความสงบความสงบนี่แหละมันเป็นพื้นเพที่เราปรั บ, ป ร, บปรับรุงจิตของเราให้ดีเมื่อจิตเรามีพื้นเพของความสงบสติของเราก็ดีปัญญาของเราก็ดีเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะใคร่ครวนในหัวใจของเราก็ดี ความสงบหรือสมาธิสมาธิหรือความสงบหลงตาทว่าอันนี้เหมือนต้นทุนต้ว่าเหมือนต้นทุนต้นทุนต้นทุนของความดีในหัวใจของเรานั่นสมาธิเหมือนต้นทุนปัญญาเหมือนแบบการไปลงทุนเพื่อหากําไรอาศัยสมาธิเป็นต้นทุนอาศัยปัญญาเป็นผู้พาสแสวงหา หรือถ้าหากเราจะเทียบก็เหมือนกับว่าสมาธิเป็นเครื่องเป็นเครื่องเก็บรับสมบัติที่เราแสวงหามาได้ปัญญาเป็นผู้แสวงหาแสวงหารับมาได้สมาธิกับปัญญาจึงมีความจาเป็นตามกันไม่จบตามกันไปตลอดทุกระยะ สมาธินุนปัญญาปัญญานุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญานุนสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเนี่ท่านท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นความสําคัญสมาธิเหมือนต้นทุนถ้าเราไม่มีสมาธิและอ้าวไม่รู้จะไปสแสวงหาอะไรหละมัจะรีบลงทุน5บาทได้กําไรสองบาทสบาทลงทุนร้อยบาทได้กําไร5บาทสิบาทมันไม่มีทุนไม่รู้จะเอากําไรอะไรเพิ่มขึ้นมาคือต้นตอที่จะเกิดมันไม่มี ต, ต่อในที่นี้หมายความว่าสมาธิอย่าไปทิ้งอย่าลืมอย่าทิ้งพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะลึกถึงที่ไารเมื่อไรกําหนดย้อนมาสงบกึกอยู่กับตัวเองเดี๋ยวพื้นเพจริตภายในจิตของเราก็จะดีขึ้นปัญหาสรารพัดทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายเบาไปสักหน่อยหนึ่งปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราแก้ยากที่สุดมันก็จะโผล่ขึ้นมาหละ กำหมดย้อนคือมาที่ความสงบของเราเนี่ยปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันคล่องคาอยู่ในหัวใจอเดี๋ยวมันกระโผลขึ้นมาล่ะคือปัญญาพื้นพื้นมันมันปัญญาโดยสัญชาตญาณมันมันเกิดขึ้นอมันไม่ใช่ปัญญาเพื่อหลักสัจธรรมละเอียดที่จะเข้าไปรู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ปัญญาพื้นพื้นมันมีข้อมันอยู่พื้นเพริจริณิสัยของจิต ที่ได้รับความสงบที่มีความสงบมันมีอยู่อดูแต่ว่าเราประคองเอาสติประคองเอาสัมปชัญญะประคองเราดูเป็นอะไรเป็นปัญญาในความสงบนั่นแหละมีปัญญาอยู่ในนั้นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีปัญญาอยู่ในนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิที่ไม่มีปัญญาไม่ใช่สมาธิที่ไม่ทําให้เรารู้สึกตัวไม่ใช่สมาธิที่ไม่ทําให้เราตื่นตัว สมาธิที่มีสติมีสัมผััญญากรรกับเป็นสมาธิทำให้เราตื่นตัวทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เราไม่เผลอตัวทำให้เราเป็นตัวของตัวเป็นต้นทุนเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานที่จะทำให้ปัญญาภายในหัวใจของเราขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับตัวเราเองนี่คือการ สร้างการตั้งต้นการการการมองเห็นที่ตั้งต้นที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เจริญงอกเงยในหัวใจของเราเราไปนั่งนึกนั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็ได้ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาก็ได้แต่บางครั้งเราอาจจะออกนอกลูนอ ก, ก, นอกทางแล้วหลงไปไง่ายๆเพลอไปไง่ายๆหลงไปกับกนอุบายของกิเลสที่มันแทรกเข้ามาในหัวใจของเรา เพลิไปกับกนอุบายมายาของกิเลสที่มันแทรกมาในหัวใจของเรากิเลสมันก็ตามต้อยต้อยต้อยอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละกิเลสมันไม่ใช่ว่ามันจะหดหัวหายไปไหนกิเลสมันก็เกิดขึ้นในหัวใจดวงเดียวกันเนี่แหละสมาธิปัญญามันก็เกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่แหละอาศัยผู้รู้เป็นเป็นแกนแกนแกนนาเป็นแกนกลางผู้รู้คือธาตุรู้เป็นแกนนําเป็นแกนกลาง เดี๋ยวนี้เราพยายามฝึกฝืนพยายามทั้งฝึกทั้งฝืนเพื่อเอาผู้รู้นี่ให้มาอยู่ในเงื้อมือของสติของสัมภิชัญญะในเงื้อมมือของสมาธิของปัญญาให้อยู่ในเงื้อมมือของสมาธิคือจิตสงบแนบแน่นอยู่กับเรื่องเดียวนะกับปัญญาเกี่ยวข้องกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้ก็ตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่อืม อาศัยสิ่งเหลนี้แหละทำให้เรารู้ตัวทําให้เราตื่นเนื้อตื่นตัวในขณะเดียวกันกิเลสมันก็ยึดผู้รู้เนี่ยแหละถ้าหากมันธรรมะเพลอที่ไรเมื่อไรมันก็ยึดเวลาเราย้อนมาเพื่อเอาธรรมะมาต่อก่อนกับเจ้าความหลงอันเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นเรื่องของอวิชชาอย่าลืมว่ากิเลสกับอวิชชากับตัณหาเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันะ อวิชชามาทีไรเมื่อไร่ตัณหามาทีนั้นเมื่อนั้นความเศร้าหมองของจิตมาทีนั้นเมื่อนั้นความเศร้าหมองของจิตนั่นแหละที่จะเรียกว่ากิเลสกิเลสเผลอทีไรเมื่อไรเนะี่ยอวิชชาตัณหาอุ ป, ปาทานมันมาพร้อมกันเลยนะในหัวใจของเราเนะี่ยในขณะที่เราพยายามดํารงสติดํารงสัมปชัญญะอยู่อมีพยายามเจริญปัญญาพยายามใช้ปัญญาอยู่ สิ่งเหล่านี้มันก็ตามใต่อยต้อ ย, ต, อ ย, ต, อยต่อยมานี่ยแหละพอรวมตัวปั๊บมันก็แทรกปั๊บลวมตัวปับ๊บปั๊บมันก็แทรกปับ๊บการสังวรระวังคือการสังวรระวังไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาเข้าสิ่งในหัวใจของเราทําให้จิตของเราเผลอทําให้จิตของเราหลงเผลอทีไรหลงทีไรเมื่อไหร่ตัณหาก็แทรกเข้ามาตัณหาคือความอยากตามอําเภอใจของจิตนั่นแหละ มันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุปัจจัยอะไรอเป็นเครื่องมันไม่มีเกณฑ์ไม่มีเหตุผลอะไรในตัวของมันแหละว่าแต่มีความอยากแล้วก็มันยึดหมดยินดีมันก็ยึดยินร้ายมันก็ยึดว่าแต่เราเผลอที่ไรเมื่อไหรมันก็แซรกเข้ามาแล้วมันพายึดนั่นะตันหาเกิดขึ้นที่ไรเมื่อไหรมันก็พายึดอยูดีๆไม่ดีอ้าว เพลินไปกับมันพาไปยึดยึดนุ่นยึดยึดไปยึดมาก so, โอ้ยเป้วใจกับ น, นั้นอีกแล้วแป้วใจกับนี้แล้วหรือเพลินหลงละเริงไปกับสิ่งนั้นหลงละเริงไปกับสิ่งนี้พาออกนอกลู่นอกทางไปเสียแล้วสิ่งเหล่านี้มันพาออกนอกลู่นอกทางเราดูออกไหมเราดูได้ไหมมันจะพาออกไปปีนเกลียวกับศีลกับธรรมมันจะปีนเกลียวกับการสำรวมสังวราาระมัดระวังมันจะปีนเกลียวกับการ กิริยากายชั่วยากิริยาวายาจชั่วยามันจะปินเกลียวไปหมดแหละถ้าสิ่งเหล่า น, นี้แสดงพลังออกมาทีไรเมื่อไหร่มันจะปินเกลียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันเป็นเรื่องของการสํารวมเข้ามาเป็นเรื่องของการตื่นเนื้อตื่นตัวเข้ามาสํารวมเข้ามาระมัดระวังเข้ามาไม่หลงเคลิ่มไปกับอำนาจของตันหาอำนาจของความอยากนั่นแหละอนาจของตัหา ความอยากในหัวใจของเราถึงว่าพยายามกำหนดจดจอมาตรงนี้เพื่อเราจะได้เห็นริเดิดของความอยากคือตันหาในหัวใจของเร า, ร เ, า, าเราไม่ย้อนเข้ามาเราไม่เห็นนึเมื่อเราไม่เห็นก็พาเราหลงไปด้วยหลงไปบนบนขณะที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะั่นแหละมันหลงไปทั้งทั้งที่หลงไปทั้งดุนเลยนะ่ะไม่รู้สึกตัวภาวะของความหลงเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์เป็นขอบเป็นขีดของมันเนี่ย มันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอะไรเพราะมันไม่รู้มันหลงยังไงกิริยามันหลงเราดูไปที่กิริยามันพามันหลงลุ่มหลงหลงเพลินไปกับรูปนั้นลุ่มห ล, ลงเพลินไปกับรูปนี้เพลินไปลืมเนื้อลืมตัวไปประกอบไปด้วยความอ่ากำหนัดความยินดีเนี่ยนันทิราคะนันทิราคะอะราคะ กำหนัดประกอบไปด้วยความเพลินเพลินไปประกอบไปด้วยความกาหนัดยินดีกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสกับสัมผัสสรุปลงแล้วคือกับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเพิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นดูเข้าไปที่จิตแล้วเราจะเห็นทำความสงบนั่แหละให้มันอยู่นี่แหละพูดไปมันก็มากเรื่องพูดไปมากเรื่อ ง, เ ร, องเราอยู่กับพุโทโธเราคุ้มค่าแล้วล่ะ อยู่ต่อเนื่องไปห้านาทีสิบนาทีเหมือนเมื่อกี้กับพานั่งภาวนาไปเกือบสองชั่วโมงเนี่ยเราลองอยู่ดูลองอยู่สักหนึ่งชั่วโมงเนอะมันจะมีพลังมันจะมีอนุภาพมันจะมีความสงบมันจะมีความสุขขนาดไหนจิตใจของเราไม่ถูกทิ่มแทงด้วยกิเลสตัณหาอาสวะเนี่จิตใจของเราเพิ่มพลายกับตัวเองมากน้อยเท่าไหร่ทําให้เกิด ความรู้สึกว่าเราได้คาว่าเราได้หมายก็ว่าผลเพิ่มมันเกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนกับเราแสวงหาเรามีเราตั้งทุนกึกเอาไว้เราสแสวงหาเรามีมันมีผลเพิ่มเข้าม า, ท, ท, มมม า, มาทำทุกครั้งมันก็มีผลเพิ่มเข้ามาทาทุกครั้งมันก็มีผลเพิ่มเข้ามาให้มองเห็นความสำคัญเมื่อเรามองเห็นความสำคัญแล้วมีความพอใจฉันทะมันก็มีฉันทะคือความพอใจ งานการทุกอย่างเมืม่อวางงานหยาบงานละเอียดในเมื่อเราพอใจแล้วเนี่ยความเพียรก็มีมันมองเห็นประโยชน์มันมีปัญญามองเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้โอ้อเราทําได้อย่างนี้พยายามตั้งออกตั้งใจอุตสาหพยายามทําได้ขนาดนี้มันจะมีผลอย่างนี้ปรกากฏขึ้นมาอุตสาหทําอย่างนี้มีผลอย่างนี้ปรากฏขึ้นมามีผลอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาความภาคความเพียรมันก็มี ปัญหาสารพัดอุปสรรคขัดข้องมีมันก็พร้อมที่จะแก้ไขมันไม่ถือเป็นเครื่องที่จะทำให้เราท้อถอยหดหูท้อแท้ท้อถอยอพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะใช้ปัญญาที่ฉันเรียกว่าจิตตะ จ, จ, จอจดจ่อแล้วก็วิมังสารพิจารณาใค ร, คร่ครัวคําว่าวิมังสารนี่มันเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาแก้ไขะ อาศัยความจดจ่อพิจารณาแก้ไขสรุปลงแล้วก็คืออิทติบาท4นั่นเองอิติบาทสี่เอาไปใช้กับงานกับการอะไรทุกอย่างมันเสียประโยชน์ได้หมดอย่าลืมอิติบาทสี่ฉันทะคือความพอใจดูที่งานบางสิ่งบางอย่างเราไม่พอใจเราไม่มีกําลังใจหลายที่จะไปทําการที่เราจะพอใจในสิ่งนั้นนั้นเราต้องดูให้ทะลุเข้าไปถึงผลของมันเมื่อผลเหล่านี้จะปรากฏแกเรามากน้อยขนาดไหนเพียงใด มันจะมีคุณค่าในตัวของมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยากความอยากอันนี้มันเป็นมกนักนะนะเช่นอยา่างอยากสงบเนี้ยอยากให้เกิดความรอบรู้เนี่ยอยากให้มีความพอใจในงานของตัวเองอยากให้มีความภาคความเพียรกำหนดจุดจอพิจารณาแก้ไขปัญหาสารพัดอย่าลืมว่าปัญหาเกิดขึ้นในวใจัยของเราเ มีทุกระยะมากมายมหาศาลจะพึงเกิดขึ้นในใใหัวใจของเราแค่เราต้องการจะเอาจิตให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแค่นีนะ้ปัญหารอบด้านสารพัดเราดูเถอะเดี๋ยอนั้นโผล่เข้ามาดึงเราไปแล้วเดี๋ยวนี้โผล่เข้ามามดึงกัาไปแล้วสรุปตรงนั้นคือกิเลนั่นแหละมันไม่มีอะไรอย่างอื่นน่ีปัญหาร้อยแปดพันอย่างอยู่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดปัญหาร้อยแปด พันอย่างคือปัญหาของกิเลสตัณหาอาสวะอนหัวยใจของเราเนี่ยมันมีแง่มุมสารพัดเป็นปมเป็นเงื่อนอจบลงแล้วก็คือพลังของเจ้าความอยากเนี่ยมันก็เดียวกันเจ้าความอยากก็คือตัณหาตัณหาในหวนัวใจของเรามากกว่าน้ําในแม่น้ําในมหาสมุทระอียอ่ีกมันมากมายมหาศาลถึงขนาด น, นั้นแต่มันหากปลีก ย่อยปลีกแวะไปตามเรื่องตามการตามเวลาตามแต่แต่แท้ที่จริงมันก็เกิดขึ้นจากรากเง้ารากฐานอันเดียวกันคือผู้รู้กิเกลเอาผู้รู้ของเราไปฉลุงเอาผู้รู้ของเราไปใช้เอาผู้รู้ของเราไปเป็นเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นงานของเราที่เราทํานี่มันเป็นงานที่ยือยย้อแย้งยื้อแย้ง ถ้ารู้มาให้เป็นตัวของตัวเอาธรรมะมากำกับเอาสติธรรมมากำกับเอาสัมปชัญญะธรรมมากำกั บ, เ อ, กกบเอาวิริยะเอาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาของจิตเอามากำกับจิตของเราอยู่เพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะทำงานยื้อแย่งกันกันกบกิเลสกิเลสก็คือพลังของความอยากแต่มันละเอียดมาก พยายามดูให้เห็นความละเอียดของมันเราจะพอจะจะพอจะจับเงื่อนได้ดูให้เห็นความละเอียดของเจ้าความอยากในหัวใจของเราเราพอจะจับเงื่อนได้อย่าไปเข้าใจอะไรง่ายๆสําสคัญมั่นหมายง่ายๆ ย, ยึดเอาง่ายๆถือเอาง่ายๆดูพิจารณาใคร่ครวญให้ดีให้ขึ้นใจขึ้นใจด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุมีผลในตัวของมัน ไม่ปรงใจยึดเอาถือเอาสำคัญมั่นหมายเอาอะไรเกิดขึ้นก็รับทราบไม่กรรที่เรียกว่าปล่อยอะไรเกิดขึ้นรับทราบแล้วก็ปล่อยอะไรเกิดขึ้นรับทราบแล้วก็ปล่อยไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็กร่มเข้ามายึดเข้ามาถือเข้ามาเกิดขึ้น น, นิดหน่อยก็ยึดเข้ามาถือเข้ามายึดเข้ามามากเท่าไหร่ กำเข้ามาเอามากำเอามายึดเอามาถือเอามากำมากเท่าไหร่เป็นสมุทัยทั้งนั้นแต่เป็นเรื่องของความสงบนิดนิดหน่อยหนก็เอามายึดเอามาถือความสงบอันนี้มันก็เป็นสมุทัยแล้วเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่าเป็นเหตุให้ไม่ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดผลที่ดีงามเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปอเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ยึดเข้ามา เกิดขึ้นก็รับทราบแล้วก็ปล่อยเกิดขึ้นรับทราบแล้วก็ปล่อยเรื่องของความสงบแม้พิจารณาทางด้านปัญญาเกิดความรู้แผลว่ารู้สึกว่าถึงอกถึงใจอยู่บ้างอะไรบ้างก็ปล่อยยึดเอาเฉพาะเหตุที่เราทำเท่านั้นผลที่มันจะพึงเกิดขึ้นอย่าไปเรียกร้องการเรียกร้องสมาธิก็ตามการเรียกร้องเรื่องของปัญญาก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุ ท, ทยัย สมุดไทยก็คือเป็นเหตุผูกมัดจิตของเราเนะี่ยผูกมัดจิตของเราให้อยู่กับกองทุกยึดมาเกี่ยวเรื่องสมาธิก็ ก, กองทุกยึดมาเกี่ยวเรื่องปัญญาก็ ก, กองทุกมันผิดเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นทั้งให้ปล่อยอะไรเกิดขึ้นให้ปล่อยคําว่าปล่อยต้องมีผู้รู้เพียบพร้อมอยู่ในนั้นนะเราไม่ตั้งใจจะ ย, ย, ยึดดอกอแต่ถ้าผู้รู้ของเราด้อยไปเนี่ย ตัณหามันพายึดโดยหลักธรรมชาติของมันเองเพราะฉะนั้นต้องทําผู้รู้ให้สว่างให้รู้อยู่มันเกิดขึ้นก็รู้ทราบแล้วก็ทราบแล้วก็ปล่อยไม่ตั้งใจปล่อยนะมันหลุดเข้ามันเองว่าแต่ผู้รู้อยู่รู้เนี่ยไม่ต้องตั้งใจปล่อยมันก็หลุดเข้ามันเองเราก็ฟังดูที่ปัญหาข้อข้องใจใดๆก็ตามเวลาเรารู้สว่างขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเราตั้งใจจะละมันไหมมันหากตกไปเข้ามันเอง คือปัญญาความรอบรู้ภายในหัวใจของเราให้เราอยู่อย่างเห็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ด้วยกันหมูมากมันหากมีแหละประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องมีถึงยังไงก็ตามให้เห็นแก็บประโยชน์ตนให้มากแต่ว่าคําว่าประโยชน์ตนไหนทีนี้อย่าให้กเกลียดมาสวมร้อย หลบเข้าไปเราเอาประโยชน์ตนหลบเข้าไปเอาประโยชน์ตนนักๆเข้าไม่ให้ความสนใจกับประโยชน์ส่วนรวมแต่อย่าลืมว่าประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนก็อย่าลืมด้วยอย่าลืมบางทีเราไปคลุกเคลาคลุกคลีกับสิ่งเดียวเรื่องเดียวมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขาดเกณฑ์ที่จะมากําหนดกําหนดดูว่าข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเราก็ามาดูมาสับมาเปลี่ยน มาดูอ้าประโยชน์ตนปรีเวลาไปบ้างหนาทีสิบนาทีเอ่อประโยชน์ท่านปรีเวลาไปบ้างหนาทีสิบนาทีเนี่ยหนาทีสินาทีมันเป็นการสับเปลี่ยนมันเป็นการสับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้มันเกิดความเครียดที่ท่านเรียกว่าสับเปลี่ยนอิริยาบถสับเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกับการสับเปลี่ยนอิริยาบถที่เป็นอารมณ์ของจิตในภายใน มันก็จําเป็นจะต้องมีความสับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ปล่อยเรื่องการรักษาสติสามัญญะความสงบการสํำรวมระมัดระวังนี้ไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยปล่อยที่ไรเราก็ขาดทุนปล่อยที่ไรเราก็ขาดทุนเราไม่ปล่อยเรายือนอยู่ที่เดิมยืนอยู่ที่เดิมเรามีแตใจเจริญเรามีแต่ใ จ, เ จ, เ, จเจริญโดยไายเดียวนี่เรื่องเรานี้มันเป็นเรื่องข้างในนะ เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นประโยชน์แล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําำเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องภายในเราทําเอาเองใครทําให้เราไม่ได้ดอกพ่อแม่ก็ทําให้เราไม่ได้บูเพื่อนก็ทําให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ทําให้เราไม่ได้เรามีจิตเป็นตัวของตัวเราดํารงดำรงดำรงมั่นให้อยู่ในเงื่อมมือของตัวเองเอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์เอาม า, มาทําให้เกิดบุญอย่าให้มันเกิดบาป ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดวันคืนล่วงไปยาให้มันเกิดบาปให้มันเกิดแต่บุญรักษาให้มันเกิดแต่บุญเถอะให้มันเพิ่มพูนทวีคูณอยู่แต่กับบุญอ่าบุญส่วนนี้มันก็จะเริ่มมีพลังก่อรกก่อรากสร้างรวงสร้างรังสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองมันหามีผลเพิ่มที่เราเรียกว่าสมาธิเป็นต้นทุนปัญญาเป็นเหมือนผู้แสวงหา เพิ่มทุนให้กับตัวเองเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปจากคนไม่มีก็กลายเป็นคนมีจากคนมีก็เริ่มกลายเป็นเศรษฐีจากเริ่มเป็นเศรษฐีก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมีเป็นห้ามีเป็นสิบมีเป็นร้อยมีเป็นพันเริ่มเพิ่มพูนทวีคูณเราไม่ดูไปอย่างอื่นเราก็ดูไปที่ความรู้เอออันนั้นเราก็รู้เออนนี้เราอนุอันนั้นเราเข้าใจอันนี้เราก็เข้าใจ อันนั้นเราก็เบาอนี้เราก็เบาเบาเพราะมันรู้มันเข้าใจมันไม่มึดมันมึดทึบๆเงอะเงะงะงอเงาอ่าอันนั้นก็กลัวจะผิดอันนี้ก็กลัวจะผิดอันนั้นก็กลัวจะเขินอันนี้ก็กลัวจะขวยเขินอันนั้นก็กลัวจะดูอันนี้ก็กลัวจะว่าเนี่ยมันเป็นตัวของตัวมันอิสระมันกล้าหาญเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วมันกล้าหาญเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันหดๆอ่าขยับไปอันนั้นก็หดๆ ขยับไปอันนี้ก็หดหดสิ่งที่ทำให้เราไม่หดมีอยู่เราต้องสนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมในขณะเดียวกันเรื่องตั้งอกตั้งใจรักษาศีล น, นี่ก็ให้มีด้วยศีลที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะต้องเอาองศ์ศีลมาดูมากากับไม่งั้นหวันคืนล่วงไปเราไปล่วงละเมิดเขาเรามาดูเรามารู้ตามหลังเรามาแปวใจ โอ้เราล่วงสิขาบทนั้นโอ้เราล่วงล่วงสิขาบทนั้นโอ้เราล่วงสิขาบทนั้นล่วงไปโดยที่เร า, เาลืมนะลืมตัวลืมฝึกฝนอบรมลืมดูข้อหลักต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นเหตุบัณฑทอนบัณฑทอนทสติปัญญาบัณฑทอนความสงบในหัวใจของเราได้เช่นเดียวกันอย่าลืมอย่าลืมอย่ามองข้ามศีลเราก็ตั้งใจเศึกษาให้เป็นศีล ศึกษารู้เท่าไหร่ให้ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นให้เป็นอธิศินอธิศินแปลว่าศินยิ่งคําว่าสินยิ่งไม่กล้าล่วงละเมิดไม่กล้าข้ามกรายไม่กล้าล่วงละเมิดแหละผู้ที่จะถือสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระเจาประสงค์เหมือนกันะไม่กล้าที่จะกล้าข้ามกรายไม่กล้าไม่กล้าที่จะล่วงละเมิดอถือสินยิ่งถือสินยิ่งกว่าชีวิตที่ทเรียกว่าอธิศินอธิศินแค่อธิศินอย่างเดียวนี่โอ้อ อันนี้ทรงยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนเราทอดทิ้งไม่ได้แต่ถ้าหากตั้งใจสํารวจระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องธรรมการสํารวจระมัดระวังเรื่องธรรมธรรมะก็สามารถครอบคลุมป้องปกปกป้องอถึงศินได้เหมือนอย่างที่หลวงปู่มัน่นท่านพาถือนะจะตุปาริสุธทธิศิลเนี่ยเนี่ยท่านที่เรียกว่าจะตุศินสีข้อ จตุปาริสุทธิศินอินทรสังวรสีลสังวรอินทรสังวรศีลสังวรก็คือสัมรวมศินนั่นแหละนะสําบูรณ์สินถาเราไม่รู้ข้ออาจข้อธรรมของของข้อของศินเราจะเอาอะไรไปสัมบูรณ์ศีลสังวรอินทรีย์สังวรสัมรวมสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันนหวงละเมิดไม่ให้ความรักความชังเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปอ หูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรดกายถูกต้องสัมผัสความนึกคิดภายในใจไม่ให้จิตมันลงละเมิดสํารวมสัมรวมอวัยวะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจสําบูรณ์อวัยวะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑธรรมารมสัมบูรวมก็คืออะไรเอาอะไรสํารวมเอาสติมาสัมรวมเอาสัมปชัญญะมาสํารวมเอาวิริยะเอาอุตสาหะเอาความประคับประคองนี่มาสํารวม ภาคปฏิบัติจริงๆมันก็คือการที่เรามาดำริอยู่กับอารมณ์เขาว่าพุโทโธพุโทโธประคองพุโทพโธดำริแล้วประคองพุโทโธพุโทโธนี่แหละนี่ภาคปฏิบัติทำให้เกิดทางานนี้ให้เกิดขึ้นผลก็จะเกิดขึ้นทำให้ต่อเนื่องได้เท่าไหร่ผลก็จะต่อเนื่องยืดไปเท่านั้น ทำติดต่อกันเดี๋ยวนี้ห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวนี้เราเห็นผลเห็นอันอีสองเดี๋ยวนี้ตอนนี้พืชไปเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมองมองนู่นมองนี่มองโอ้มองเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเป็นของง่ายได้ของกล้วยอะไรไปอย่างอื่นอย่าไปวาดมโนภาพอย่างนั้นสิ่งที่ได้นี่แหละคือนี่แหละพุทโธพุทโธนี่ยสองสามคำไปไม่ขาดช่วงสำรวจมระวังไปต่อไปนี่คืองาน งานที่เราทำอย่างอื่นเป็นข้อพูดเป็นข้ออธิบายถึงความเกี่ยวข้องเป็นถึงความผูกพันกันของธรรมะในหัวใจของเรานะธรรมะของพระพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรมะรมขันธ์ไม่ขัดแย้งกันในหัวใจของเราเราดูสินี่เราพูดถึงศีละสังวรอนินสีสังวรโพชเนมัตตันยุตานะพิจารณาอาหารอาหารต้องพิจารณานะ เราไม่พิจารณาเป็นเหตุให้เราเสียเสียเสียได้เหมือนกันนะโพชนมัดตันอยูตาหรือปัจจัยปัจจัยสันนิสษต์นะปัจัยสันนิษต์เนี่ยปัจัยสันนิษต์คือพิจารณาปัจใจสีนการพิจารณาก็คือเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความสํารวมระหว่างไม่ให้ประมาทไม่ให้ประมาทในเหตุในปัจจัยในปัจจัยเหล่านี้ โพชเนมัตตัญยุตตาอินรีสังวรโพชเนมัตตัญยุตตาชาคริยานุโยโอ้อันนี้ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกท้าเรียกว่าอปน ก, กะอปนกะปฏิปทาอปนักกะปฏิปทาท่านบอกเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดใครทำอยู่ในสองข้อนี้ไม่ผิดทำจนเป็นจนตายไม่ผิดท้าเรียกว่าข้อปฏิบัติไม่ผิด นะข้อปฏิบัติไม่ผิดอินทรียสังวโรโภชเนมัตตัญญุตาชาคัริยานุโยกนะชาคัริยานุโยกนี่มันก็ขาบเกี่ยวกันกับจัตุปาริสุทธิศินมันขาบเกี่ยวกันโภชเนมัตตัญญุตาอินทรียสังวรก็คือสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมรูปเสียงผิดลโผลตภธรรมรมณ์โภชเนมัตตัญญุตาคือพิจารณาโภชนะชนะพิจารณาอาหารก่อนบริโภค พิจารณาก่อนบริโภคอาหารก่อนบริโภคผ้าจีวรก่อนบริโภคที่อยู่อาศัยกุฏิกุตังก่อนบริโภคยุกยาเห็นไหมท่านไม่ปล่อยนะให้มีสติขึ้กับพิจารณาสำรวจรมะมัดระวังตลอดชาคิยานุโยกประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยสามอย่างนี้ท่านว่าให้ปฏิบัติไปเท่าไหร่ไม่มีผิด ไปดูในหลักท่านพูดเอาไว้ในธรรมหมวด3มนักธรรมทีท่านก็พูดเอาไว้ในธรรมหมด3ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นท่านตั้งเกณฑ์ไว้อย่างยังไงท่านตั้งท่านตั้งเกณฑ์ไว้ตั้งแต่หัวค่าจนถึงมัมยามสี่ทุ่มจากสี่ทุ่มไปจนถึงตีสองจากตีสองไปจนถึงสว่าง ทำความเพียรตั้งแต่หัวค่ําไปจนถึงสี่ทุ่มพักผ่อนจากสี่ทุ่มไปจนถึง 2. ตีสองตีสองตื่นจากตีสองไปจนถึงสว่างทําความเพียรตลอดไปนี่เขาเรียกว่าทําความเพียรเป็นเครื่องตื่นชาคริยานโยคชาคริยานุโยคชาคระชาคระคือตื่นชาคระอะนุโลมอนุโยค ตามสติตามสัมผัสัญญะตามงานประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นที่เรียกว่าฉากริยานโยกเรามาดูความผาคความเพียรถ้าเราตั้งไว้ถึงขนาดนี้มันจะทำให้เราเนี่ยลดละจากการประมาทมัวเมาหลงเคลิมหลงเพลอหลงเอาเวลาไปทิ้งกับสิ่งนั้นเอาเวลาไปทิ้งกับสิ่งนี้มันเห็นคุณค่าของเวลา แต่ละขณะทุกลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออ ก, ออกนี่เราทราบคุณค่าของหัวข้อของธรรมะและออกมาตั้งใจฝึกฝนอบรมนี่เราอยู่ทํากลางที่ฝึกเราอยู่ทํากลางที่ฝึกแล้วก็ฝึกมีความจําเป็นไปทําประโยชน์ท่านเราก็ไม่ทอดทิ้งมีสติมีสัพพัญญะกากับทําไปเพราะทําอะไรมันก็เกิดประโยชน์ ทำอะไรมันมีอั น, นิสงส์เท่านั้นเลยทำอะไรมีอั น, นิสงส์เท่านั้นนอกจากไม่มีไม่เห็นคุณค่าของเวลาเอาไม่เห็นคุณค่าของเวลาเอาเวลาไปหลับด้วยความเพลินหลงไปกับความหลับสองชั่วโมงสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงโอ้ตายหลงเพลินไปกั บ, กบความหลับตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย บางทีโอชนะที่ใส่ไปตเต็มตเต็มกระเพาะตื่นขึ้นมาสามสี่ห้าชั่วโมงแล้วแฟบปลองอีกแล้วโอ้หิวอีกแล้วนะเอาความหลับเป็นตัวผลานผลานพลังงานผลานอาหารตื่นขึ้นมาเปล่าประโยชน์เลยไม่ได้อะไรเลยตื่นขึ้นมาเปล่าประโยชน์เลยไม่ได้อะไรเลยดูพิจารณดีเราอยู่ยังเห็น เราอยู่อย่างเห็นคุณค่าของความเป็นอยู่แล้วเราจะได้ประโยชน์ถ้าไม่เห็นคุณค่าของความเป็นอยู่แล้วกิเลสมันจะพาเราไปทําโทษแล้ววันคืนล่องไปเดี๋ยวจะมาแปวใจมาเสียใจายตามหลังแหละออันนั้นเราก็ไม่ได้อันนี้เราก็ไม่ได้อันนั้นเราก็ไม่ได้นนนนเรดสร็จแล้ไปหาคาดคาเ ด, ดาเดาแล้วก็หาติเรื่องน้นหาติเรื่องนี้ตำห น, น, นิสิ่งนู้นสิ่งนี้ตำหนิคนนู้นคนนี้ตำหนิเรื่องนู้นเรื่องนี้ตัวเองไม่เคยตำหนิ ทำไมถึงไม่ให้ตำหนิทำไมถึงตัวเองไม่ตำหนิเพราะกิเลสมันไม่เคยให้ตำหนิตัวมันแหละมันมีแต่ให้เราพุ่งไปข้างหน้าไปข้างหน้าตัวมันเองมันไม่เคยให้เราหันจ่อไปฟาดกบาลมันมันไม่เคยจ่อเข้าไปดูให้ดีพิจารณาให้ดีนี่ตัวนี้มันน่าเจ็บแสบเครียดแค้นให้กับกิเลสในหัวใจของเราดูให้เห็นถ้าดูไม่เห็นแล้วก็โอกาสที่จะไม่กระตือรือร้นโอกาส ที่จะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวก็มีดูให้เห็นแล้วเราจะตื่นเนื้อตื่นตัวมันจะกระตือรือร้นในการประกอบคุณงามความดีเห็นคุณค่าขอ ง, งเวลาเวลาหายใจเข้าหายใจออกนั่งติดต่อกันสักสิบนาทีนึ่โอ้ยอันนี้สงยิ่งใหญ่ไพศาลยี่ว่าไปปล่อยทิ้งเป็นวันๆแล้วไม่ได้อะไรยิ่งเอาความบริโภคปัจจัยสี่แล้วก็เพลินไปกับความหลับดัง ดังที่ว่านั้นด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยขาดทุนศูนดอกแหละไม่รู้จะไปตั้งอยู่บนพื้นฐานของอะไรแล้วแหละนี่คือไม่ได้พิจารณาอาหารไม่ได้พิจารณาอาหารรับทานฉันเต็มแปรไปแล้วก็ไม่ได้ไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีโภช น, นมัดตัณยุตตาไม่มีรู้จักประมาณในโภชนะฟาจนอิ่มจนเต็มแปร่ไปแล้วก็ ไอ้เจ้าเคลมเคลิมก็พายึดกิเลสไอ้ตัวหนักหนาะสาหัสาสาหัสสาคันด้วยการที่ไม่เคยฝึกอบรมมันกดทวงซะจนเรางอหัวไม่ขึ้นน่ะเนี่งอความตื่นของสติของสามัชัแย่ยไม่ขึ้นให้เราตั้งออกตั้งใจรู้สึกตัวแล้วก็ผ่อนผ่านให้เขาเป็นการเป็นคราวเงียบหนึ่งรียบลุกขึ้นมาตื่นอย่าปล่อยให้ความ เกียรตามันเกาะในหัวใจของเราความเกียรติขามมันเกาะมันเป็นยังไงมันอ้างเอ้ยยังมีเวลาเท่านั้นเออยังมีเวลาเท่านี้ยังยางงั้นยังจะยางนี้ยังหาความสบายให้กับตัวเองอยู่เรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องที่มันต้องผลพันให้กับตัวมันตลอดมันไม่เคยยกให้เราแหละมันมีแต่ผลพันเอากำไรให้กับตัวมันเองให้เราพยายามํารวมระมัดระวัง เอาวันนี้เอาพอสมควรก่บเวลาแค่นี้แหละอ่าเอ า, เอาขอนิสัยจ้ะพระเราขอนิสัยเออกลับซะ้ะคนนั้นกลับซะ